ขอน้อมน้อมขอบคุณพระรัตนตรยัยโรการหลวงพ่อคำเขียนเพื่อนสลัมมิ ก, ก ท, ม ท, ม ท, ม ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ทีและญาติธทรมทุกท่านช่วงนี้เราก็ก็ใกล้ปีใหม่แล้วน ะ, ะความที่เป็นปีใหม่ก็เหมือนกับชีวิตของเราได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งบางคนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก็เริ่มต้น ต้นปีนะเปลี่ยนปีทีนึงก็ถือว่าเราเริ่มชีวิตใหม่สักครั้งหนึ่งนะชีวิตเก่าก็ล่วงไปนะตรงนี้นะถ้าผู้ใดเอามาเป็นเครื่องอ่าสังเกตนะเป็นอุทาหรณ์นะก็จะเห็นว่าอ่าแต่ละปีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะปีนี้สอง6นห้า้อยห้าสิปีต่อไปก็สองพันห้าอห้าสิบดะก็ล่วงไปปีหนึ่งแล้ว นะมันจะเร็วมากนะนะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อไม่นานนี้ก็ยังปีสองพันห้าร้อยนะเป็นต้นมานะก็ไล่มาตามลำดับนะแต่ละปีนี้ก็เร็วมากนะครานี้ถ้าเราสังเกตอีกนิดหนึ่งว่าพระเจ้าบอกว่านันคือล่วงไปล่วงไปอ่บัดนี้เราทำอะไรอยู่นะตรงนี้ก็เห็นชัดว่าเออในไหนก็เห็นแล้วว่าต้องเปลี่ยนภาษาแน่นอนนะ จากปีห้าสบหกเป็นห้าเจ็ดนี่แหละก็จะเห็นว่าวันคืนเขาก็ล่วงไปแต่ละปีเนี่ยบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะบัดนี้เราทําอะไรอยู่ก็คือนะถ้าเราทําอะไรในตรงนี้นะอนะถ้าเราไม่ทําในตรงนี้เราก็คือเราจะนะหมดไปอีกปีหนึ่งแล้วนะหมดไปอีกปีหนึ่งก็คือเราใกล้ความตายเข้าไปอีกปีหนึ่งนะสิ่งที่เราต้องทํานะพระเจ้าก็ได้บอกไว้แล้วว่าก็คือ ให้มีศีลนะสติมีสมาธิมีปัญญานั่นเองนะเราก็เริ่มด้วยศีลนั่นแหละมารักษาศีลให้ดีนะมีศีลสองรอยสิบเจ็ดศีลแปดศีลห้านี่แหละก็เป็นเครื่องพื้นฐานให้เรามีความเป็นอยู่ที่เป็นปกติในใจของเรานะถ้าเราไม่มีศีลจิตเราก็จะไม่เป็นปกติจิตเราก็จะแส่สายไปในอารมณ์ต่างๆนะ ถ้าพูดที่ไม่มีศีลห้าก็จะไม่มีเครื่องกำบังไม่มีเกาะเราก็จะไหลไปในกินเลสต่างๆได้ง่ายนะก็จะทำผิดศีลที่เป็นสังคมนะก็จะเป็นที่รังเกียจของสังคมศีลแปดก็เป็นการทำให้กรอบของจิตเรานะมีเครื่องกั้นมากขึ้นนะไม่ไหลาตามกิเลสได้ง่ายขึ้นนะนะเราไม่มีโอกาสที่ไปดูอาการเล่นๆต่างๆางนะไม่มีโอกาสที่จะไป ทำตามใจกิเลสในการรับประทานอาหารเย็นนะไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งนอนบนที่นอ น, นั้นสูงใหญ่นะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้กิเลสในใจของเราลดลงไปในส่วนหนึ่งแล้วนะถ้าเป็นสีนงร้อนี้ก็เป็นะมีกรอบข้อบังคับที่ละเอียดมากขึ้นนะมีช่องทางต่างๆปิดกั้นมากมายนะทำให้เป็นผู้ที่สำรวม ในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมากขึ้นนะสํารวมปินทรีนะสํารวมอายตนะต่างๆนะป้องกันกิเลสนะไม่ให้เข้ามาในใจของเราเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะก็เป็นโอกาสที่ทําให้จิตใจของเราเนะี่ยมีความสงบมีความเยือกเย็นนะมีไม่ไหลาตามกิเลสได้ง่ายขึ้นจากศีล ต, ต่างๆเราเนี่ยก็เป็นเครื่องกัน้นจิตใจเรานะให้ กิเลสต่างๆที่หยาบนั้นน้อยลงไปน ะ, ะการเจริญสตินั้นก็เป็นเครื่องที่จะให้เรารู้เท่าทันกายเท่าทันใจของเราอยู่บ่อยๆนะกายและใจของเรานี้ปกติเราก็รู้ไม่ทันอยู่แล้วนะมันก็หลงไปทั้งวันนะไหลไปตามกิเลสทางกายและทางใจในทั้งวันนะทางกายเราก็ไม่รู้ว่าขณะนี้เรากลลังทาอะไรอยู่นะ บางคนยืนเดินนั่งนอนก็ไม่รู้ว่ากำลังยืนเดินนั่งนอนนะตรงนี้เราก็ทําให้เราเขาเรียกว่าเราหลงไปในเอวบทใหญ่นะอย่างที่มีพราหมณ์ถามพระเจ้าว่าอท่านสามารถข้ามร่วงพ้นทุกข์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเรายืนเดินนั่งนอนะพราหมณ์ก็หัวเราะเยาะ บ, บอกว่าชาวบ้านเขาก็ยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นนะ ท่านยืนก็รู้ว่ายืนท่านนั่งก็รู้ว่านั่งท่านนอนก็รู้ว่าท่านนอนท่านเดินก็รู้ท่านเดินนะีก็คือการที่รู้ไปในการเคลื่อนไหวของกายต่างๆนะจนกระทั่งอิบทย่อยต่างๆคู่แขนเดียดแขนดื่มกินพูดคิดนะก้มเงยเหลียวซ้ายแหลขวาเดินหน้าถอยหลังอุจละปัสวะต่างๆเหล่านีนะ้เป็นอิบทย่อยหมดเลยนะเพราะนั้นในชีวิตประจำวันเราก็สามารถใช้ มีบทย่อยต่างๆได้นะเช่นเดี๋ยวพระก็ไปบินธบาตกันนะการบินธบาตนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจย ก, กรมในตัวเป็นการโปรดสัตวนะ์นะะแต่ถ้าเดินคุยกันอ น, นี้เขาเรียกว่าเราไปขอทานเขาไม่ได้โปรดสัตวนะ <c oughs> ์นะคราวนี้การเดินเราก็เดินด้วยความสำรวมอเขาเรียกว่าในวินัยก็มีนะเดินไปตามหมู่บ้านาต่างๆก็ต้องสำรวมนะมีตาทอดต่ำนะไม่มอง สุกซนเข้าไปในหมู่บ้านในบ้านของเขานะเวลามองก็ให้มองในระยะชั่วสี่ศอกต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อให้สำรวมตานะการเดินเราก็มีการสำรวมกายนะเดินด้วยความมีสติอยู่ในทุกๆก้าว อ, อันนี้นะก็จะทําให้เราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลานะก็จะสามารถที่จะรู้ว่าอาชจรของเราตาหูจมุกินกายใจ ต่างๆไปสัมผัสรูปสัมผัสเสียงต่างๆเรารู้ทันไหมมีความยินดียินร้ายไหมเขาใส่บาทเรารู้สึกยินดีในอาหารเหล่านั้นไหมการเดินสัมผัสพื้นมีความคมของหินนะบางทีเท้าเราก็ไปเหยียบหินต่างๆเดินด้วยความยากลำบากมีความเวทนาเกิดขึ้น เราสามารถรู้เท่าทันเวทนาเหล่านั้นไหมแล้วก็สามารถที่จะออกจากเวทนาเหล่านั้นได้ไหมการเดินก็กระทบพื้นเนี่ยรู้สึกตัวไหมบางทีเดินไปอากาศหนาวอากาศเย็นต่างๆนะหรือมีฝนตกมีแดดร้อนต่างๆเราสามารถรู้ไหมว่าขณะนี้เรามีการมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในอากาศต่างๆที่เกิดขึ้นในตรงนั้นนะอันนี้ก็คือการรู้ทันกายต่างๆและรู้ทันใจของเรา ในความยินดีหลร้ายต่างๆนะเวลารับประทานอาหารเนี่ยเราก็รู้ไหมเราอยากจะตักกับข้าวอะไรนะหรืออยากจะตักเยอะๆนะหรือบางอย่างกับข้าวบางอย่างเราชอบเราก็ตักเยอะบางอย่างเราไม่ชอบเราก็ไม่ตักนะหรือตักแต่น้อยนะเราก็ต้องรู้เท่าทันไปนะการรับประทานก็ต้องรู้เท่าทันในการที่เราเคี้ยวในการที่กระทบรสอาหารต่างๆ าการเคี้ยวเรารู้สึกตัวได้ไหมในทางกายรู้สึกตัวว่าเราขณะ น, นี้กำลังเคี้ยวนะเคี้ยวต้องเคี้ยวให้ละเอียดการเคี้ยวละเอียดแล้วก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพร่างกายเราเพราะทำให้กระเพาะย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวในขณะเคี้ยวได้เคี้ยวนานๆมันก็จะรู้สึกตัวได้ชัดเจนนะรู้ในลิ้นกระทบลถมีความยินดีมีความยินร้ายในตรงนั้นไหม ไม่ต้องไปรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะให้รู้ความยินดีร้ายในใจของเราที่เกิดขึ้นนะ เ, เห็นความอยากจะกลืนไหมนะ เ, เห็นอาการที่กลืนต่างๆนะเห็นอาการอยากตักอยากเคี้ยวอยากกลืนนะต่างๆเหล่านี้นะเราก็สามารถที่จะรู้ได้กลับมาที่กุฏิเรานะเราก็มาทำกิจการที่กุฏิเราอาจจะซักผ้านะกวาดพื้นนะ กวาดลานกะุฏิเรานะหรือทำต่างๆรอบๆกุฏิเราเนะี่ยเราก็สามารถที่จะรู้สึกตัวในขณะนั้นได้ตลอดเวลานะเสียงรถวิ่งไปวิ่งมานะหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่เราก็รู้นะก็สักแต่ว่ารู้ก็ไม่ไปยินดีไลน์ในตรงนั้นได้ไหมคนเดินไปเดินมาก็สักแต่ว่าเห็นได้ไหมนะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเราก็ทำกิจกรรมที่กุฏิเราได้นะ หรือกรรมที่กุติแล้วนะเราหลังจากทํากิจกรรมต่างๆแล้วเราก็มาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมที่กุติเราหรือนั่งปฏิบัติธรรมที่กุติเราหรือไปหาที่ปฏิบัติเป็นส่วนกองกลางส่วนรวมปฏิบัติร่วมกันในตรงเนี้ก็ได้นะมันก็เป็นการที่เราสามารถที่จะทํากิจกรรมเหล่าเนี้ยได้ทั้งวันจิตใจก็ไม่ได้เลื่อนลอยไปที่อื่นนะแต่ถ้าใครที่ไม่มีกิจกรรมไม่ทํา นะก็กลายเป็นคนนะจิตใจเลื่อนลอยนะเป็นคนพุ่งซ่านนะเป็นคนที่เรียกว่าไหลไปตามลมต่างๆได้ง่ายนะเพราะใจเราปกติเราก็จะไหลอยู่แล้วนะไหลเข้าไปในรมต่างๆได้ง่ายอยู่แล้วเนะมื่อไหลไปก็จะไปปรุงแต่งต่างๆต่อเยอะแยะนะตรงนี้เขาเรียกว่าเราหลงไปในลมต่างๆแล้วนะก็เปลี่ยนจากหลงมาเป็นรู้นะั่นแหละกลับมาอยู่กับกายและใจของเราเนะพราะกายและใจของเราก็ถือว่าเป็นเครื่องอาศัย เป็นวิหารธรรมที่จะให้เราอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขนะเพราะนั้นบางคนนี่ไม่ต้องไปกระทบรูปรสกลิ่นเสีย ง, ยงต่างๆหรอกนะคนที่มีจิตใจยังหยาบอยู่นะเขาก็ต้องแสวงหารูปรสกลิ่นเสียงผลทัพอธรรมรมนะคืออญญายนะภายนอกที่จะได้สัมผัสอญญายตนะกับภายในเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตนะต้องไปห า, าสิ่งที่บันเทิงมาดูนะ สิ่งที่ไพเราะมาฟังนะหาของอร่อยมาสัมผัสลิ้นนะหาแอร์เย็นๆมาสัมผัสกายนะหรือได้คิดไปในสิ่งที่ชอบใจต่างๆนะคิดไปต่างๆที่มันเป็นไหลไปตามกิเลสต่างๆนะอันนี้เขาเรียกว่าคนที่มีจิตใจยังหยาบอยู่นะต้องหาของหยาบๆนี่แหละมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจนะส่วนผู้ที่มีจิตใจที่ละเอียดแล้วนะก็สามารถอยู่กับ สิ่งที่ละเอียดได้นะก็คือไม่ต้องอยู่กับอายตนะที่หยาบทั้งหลายนะก็อยู่กับเอน็นะที่ละเอียดนะก็คืออยู่กับสติสมาธิปัญญานี่แหละอยู่กับตัวเราเองไม่อยู่กับตัว ต, วตนเราไม่ต้องไปหาใครเป็นเครื่องอยู่นะบางทีเราเหงาเราก็ต้องไปหาหาเพื่อนเป็นเครื่องอยู่ไปพูดไปคุยนะนี่ก็ทำให้เราเสียเวลานะก็เรียกว่ า, าการคลุกคลีนี้นะจะทําให้เป็นการเสรียเวลาเป็นอย่างยิ่งนะ แต่ถ้าไครที่มีเครื่องอยู่ของตัวเองแล้วนะมีความละเอียดในใจก็อยู่กับเครื่องอยู่ตัวเองนั่นแหละก็คืออยู่กับกายและอยู่กับใจนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเครื่องอยู่ที่ละเอียดขึ้นนะเราก็จะเห็นว่าเล่เราก็สามารถที่จะอยู่กับตัวเราเองได้นะการอยู่กับตัวเราเองนี้ถือชื่อว่ามีประโยชน์มากนะเพราะการที่เรามาบวชมาอยู่ปุติมาปฏิบัติธรรมทั้งญาติโยมทั้งหลายด้วยนะจะได้มีเครื่องอยู่นะเพราะว่า การอยู่กับตัวเองนี้นะเขเรียกว่ามาเป็นการฝึกตัวเราเองนะการฝึกตัวเองนี่ไม่ใช really ่ว่ามาฝึกให้อยู่ด erm ้วยความสะดวกสบายให้มากินมาอยู่อย่างสะดวกสบายอันนั้นก็ไม่ได้ชื่อว่าฝึกตัวการฝึกตัวเราเองก็คืออยู่กับอะไรก็ได้นะจะสะดวกก็ได้จะไม่สะดวกก็ได้นะจะขัดสนจะลําบากจะตะคัตนะบางทีเราอยากะทานก็ไม่ได้ทานอยากจะทําอะไรก็ไม่ได้ทำนี่แหละก็คือเป็นเครื่องอยู่ตามความเป็นจริงนะเมื่ออยู่ได้ เครื่องอยู่ที่เป็นตามความเป็นจริงชนี้เราก็จะเห็นกินเลสเราที่ปรากฏชัดขึ้นมาในใจของเรานะเอออยากจะไปพูดไปคุยนะอยากจะไปทํานู่นทํานี่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปฟังสิ่งที่อชอบก็ทําไม่ได้นะก็เห็นเออมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราก็กลับมาอยู่กับตัวเรานนั่เองนะแต่ถ้ารู้ไม่ทันแล้วก็ไหลไปนะอยากจะไปคุยก็ไปคุยนะอยากจะไปหาอะไรทานก็ไปทาน อยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวอันนั้นเราก็ไหลไปตามกิเลสแล้วนะเราก็ไม่ได้กลับมารู้จักตัวเราเองเพราะงัการที่เราอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเราเองนี่แหละเขาเรียกว่าเรามีเครื่องอยู่ที่จะรู้เท่าทันกิเลสของเราได้นะพอเรารู้เท่าทันกิเลสเรากิเลสเราก็จะลดลงไปเองนะตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าสําคัญนะการที่เราอยู่ตัว เ, เองก็จะเห็นกิเลสเกิดขึ้นนะั่นแหละเมื่อเห็นบ่อยแล้วกิเลสก็จะน้อยลงไปเองนะ ถ้าเราทําตามกิเลสไปนะเขาอยากจะทำนึกอยากอยากทำอะไรแล้วก็ทําตามนั้นเราก็ไหลไปตามกิเลสเพราะนั้นกิเลสก็จะไม่ลดลงกิเลสก็จะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะกิเลสนั้นเขาเรียกว่าเป็นไปตามตันหาตันหาก็คือความยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงผลทัพอธรรมลมนั่นเองผู้ที่ไหลไปตามตันหานั่นนะเขาเรียกว่าเป็นสมุทัยนะสมุทัยก็คือเหตุแห่งความทุกข์การที่เราไหลไปตามตันหาก็คือเหตุแห่งความทุกข์นั่นเอง เพราะการที่เราไม่ไหลไปตามตันหาแล้วก็ชื่อว่าเราตัดสมุทไทยนะคือเหตุแห่งความทุกข์ได้นะมันก็จะลดนะกิเลสไปในตัวนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์ในการอยู่กับตัวเองนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเมื่ออยู่ตัวเองก็ยังชื่อว่าเป็นเพื่อนมีเพื่อนสองนะความมีเพื่อนสองไม่ใช่หมายความว่ามีคนอื่นอยู่เป็นเพื่อนแต่แต่คําว่ามีเพื่อนสองของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอยู่กับตันหานั่นเองนะบางทีคนเราอยู่คนเดียว แต่คิดไปในเรื่องทำให้จิตใจนะมีความเศร้าหมองบ้างมีความยินดีบ้างในเรื่องราวต่างๆนะคิดไปถึงคนนู้นคิดไปถึงคนนี้คิดไปถึงกิจการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองหรือจิตใจยินดีทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่ามีตันหาเป็นเพื่อนสองแล้วถึงแม้จะอยู่คนเดียวนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้ใดอยู่หลายคน แต่ถ้าไม่คิดไปในเรื่องตัณหาต่างๆเหล่านั้นก็ชื่อว่าอยู่คนเดียวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคําว่ามีเพื่อนสองของพระเจ้าก็คือเราอยู่ตรงไหนก็ได้โดยการที่เราไม่มีตัณหานั่นเองนะแม้จะอยู่คนเดียวไม้จะอยู่หลายคนถ้าเราไม่มีตัณหาต่างๆหรือเราสามารถที่จะละความคิดไปในความยินดีร้ายต่างๆในการไปคลุกคลีต่างๆอันนี้ก็ชื่อว่าเราได้อยู่คนเดียวแล้วนะการอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็น กิเลสของเราต่างๆได้ง่ายขึ้นจากการที่เรารู้ตามกายรู้ทันกายรู้ทันใจนี่แหละกิเลสต่างๆก็จะลดลงไปเองกิเลสต่างๆมันเชื่อว่าเราลดลงไปได้เพราะอะไรเพราะว่าในอริยสัจ4ี่บอกว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะ่าไม่ได้บอกว่าให้เราไปละแต่ให้เราต้องรู้เพราะนั้นกิเลสในใจของเราต่างๆคืออารมณ์ต่างๆเป็นต้นก็คือเราต้องรู้นั่นเองนะเราไม่ได้ไปละเขาหรอก แต่ wow. เรารู้ term. นี่ก็ใช้ได้แล้วนะรู้ไปเท่านั้นเองพอรู้เห็นกิเลสต่างๆหลืออมลมต่างๆเกิดในใจบ่อยๆเช่นมีความพอใจความไม่พอใจบ่อยๆเราก็เห็นว่าเออมันก็เป็นส <im> ิ่งเขาเกิดแล้วเขาก็ไปเช่นนั้นเองนะเป็นการที่เขาเกิดแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนอะไรไม่ได้เป็นสิ่งที่ถาวรอะไรเป็นแค่ของชั่วคราวเท่านั้นเองเข้ามาแล้วเขาก็ไป เป็นของที่เรียกว่าเขาเกิดแล้วก็ดับนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความยินดียินร้ายต่างๆหรือลมต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราทุกอย่างก็เป็นลักษณะเช่นนี้เหมือนกันหมดเมื่อจิตใจเห็นอย่างนี้บ่อยๆก็จะเกิดอาการคลายความยึดติดในลมต่างๆเหล่านั้นเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารใดๆทั้งสิ้นน ะ, ะเมื่อไม่เห็นว่าเป็นสาระแก่นสารแล้วเนี่ยจิตใจก็จะ ย, ยดึดมั่นถือมั่นก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ ในยสุดจิตก็จะคลายจากความยึดติดต่างๆเหล่านั้นไปได้เองนะเพราะจิตเขาก็ฉลาดมีความรู้ว่าอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นความโกรดนี่แหละเขาก็จะนําความทุกข์มาให้เราจิตเขาสามารถเรียนรู้ได้ในอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีมันจะนําความทุกข์มาให้เราเมื่อจิตเข้าใจเช่นนั้นแล้วเมื่อเข้ามาจิตก็จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นจิตก็จะแค่รู้เฉยๆเท่านั้นแล้วเขาก็จะไปนะเราก็จะเห็นว่าเออมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยความทุกข์ต่างๆในใจเราก็จะน้อยลง จากการที่จิตเนี่ยเขามีความเข้าใจในสภาวะธรรมต่างๆได้ชัดเจนขเขาเรียกว่าเป็นจิตเติบโตโทางจิตวิญญาณนะจิตเติบโตโทางจิตวิญญาณก็คือจิตรู้ตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมต่างๆแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะแต่ผู้ใดถึงแม้จะอายุมากเท่าใดก็แล้วแต่อายุถึงใกล้จะตายแล้วนะแต่ถ้าไม่มีจิตที่เติบโตทางจิตวิญญาณก็จะไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างยึดทุกอย่างเลยนะอะ ไม่ว่าจะเป็นตัวเราตัวเขายึดอารมณ์ต่างๆทั้งหมดนะไม่มีการปล่อยการวางนะอันนี้จิตไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรเลยไม่ได้มีความเติบโตทางจิตวิญญาณแต่อย่างใดนะแล้วก็จะเป็นความทุกข์นะี่นำให้เขาไปเวียนบ่ายใจเกิดนับพบนับชาไม่ท้วนก็ตรงนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามา อ, อยู่ในวัดนี้ก็ชื่อว่าเราเข้ามาในโรงเรียนโรงเรียนที่เราฝึกให้เกิดการ เ, ารเติบโตทางจิตวิญญาณของเราได้นั่นเองนะ มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุมากเลยอายุน้อยแต่เกี่ยวกับการที่เราสามารถที่จะเข้าใจสภาวธรรมเข้าใจธรรมะเข้าใจสภาวะต่างๆว่าเป็นไปนตามธรรมชาติไหมธรรมชาติก็คือความที่เป็นเหตุตามปัจจัยของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเราถ้าคิดว่าเกี่ยวกับเราปุ๊บมันก็จะมีตัวตนไปรับในตรงนั้นจิตวิญญาณมันก็จะเติบโตช้าเพราะมีตัวตนเราไปรับในตรงนั้นว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะ แต่เราสามารถเข้าใจสภ า, าะวะธรรมว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วจีตปิญญาณก็จะเข้าใจได้มากขึ้นว่าทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนของเรานั่นเองเขาก็มาเราก็ไปไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไม่ได้จิตก็จะคลายจากความยึดติดต่างๆไปได้เองนะจิตก็จะเข้าสู่นิโรธก็คือเป็นเวลาคาก็คือการจางคลายจากตัณหานิโรธโออ่ะก็คือการดับในเลืองตัณหา จาโ ค, คือการสละออกของตัณหาปฏินสักโขการสลัดคืองตัณหามุตติคือการปล่อยการวางตัณหาอนารโยคือการทําให้ตัณหาไม่มีที่อาศัยเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราเออกจากความทุกข์ออกจากการาหลุดพ้นจากการาที่เราต้องเรียนบายตายเกิดในตรงนั้นได้นะคราวนี้การที่เราจะเข้าถึง <c oughs> ในตรงนั้นมันก็อาศัยมักมีองค์แนั่นแหละ เรามักเมียงไปก็คือการเจริญด้วยสติสมาธิปัญญานะก็คือมักเมียงไปก็สรุปแล้วก็คือสติสมาธิปัญญานั่นเองนะก็คือศีลด้วยนะศีล ส, สติสมาธิปัญญานะในตรงนั้นนะเราก็เจริญในสิ่งเหล่านี้มาเรื่อยๆนะมาเพื่อจะได้เห็นความจริงในพระไตรลักษณ์นั่นเองนะว่าเป็นสิ่งที่ว่าเขาไม่เที่ยงนะมันก็เห็นได้นะการปฏิบัติธรรมก็เห็นตรงนี้ได้ชัด บางวันดีบางวันก็ไม่ดี <c oughs> <c oughs> เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจยอยู่เรื่อยๆนะ เ, เดี๋ยวเขานั่งไปบัติตั้งนานสักระยะนึงก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อยแล้วนะก็เห็นถึงอนิจจังนะคือความที่เขาเริ่มปวดเริ่มเมือ่อยเห็นทุกขังก็คือเขาทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะเพราะว่าเขาปวดเขาเมื่อยนี่แหละเราก็ต้องลุกมาเปลี่ยนเลยบทมาเป็นเดินยงกลมนะก็เห็นตรงนี้ได้ชัดเจน เห็นซะึ่งหน้าตาว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเขาแสดงความไม่เที่ยงแสดงความทุกข์เราเห็นนะ <c oughs> แสดงความคิดเราเห็นว่าเราไม่ได้อยากคิดแต่เขาก็คิดอย่างเขาเองนะเขาคิดทั้งวันนะคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนว่านะความคิดเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะเราไม่ได้ไปห้ามความคิดอยู่แล้วหลว่อเทียมบอกว่านะยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นั่นเองนะนะก็คือไม่ห้ามความคิดในตรงนั้นก็เห็น ถ้าภาวะธรรมที่เขาเกิดเขาเองนะความคิดเกิดเขาเองก็แสดงว่าจิตใจเขาทางานเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะตรงนี้กลับมาเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนเนะนามนามตรงนี้ก็ทํางานเขาเองนะเห็นนามที่เขาทางานเองไม่ได้เป็นเราทํางานต่อไปก็เห็นความโกรธความพอใจหรือความไม่พอใจเขาก็ทํางานเองเหมือนกันไม่ใช่เราทํางาน เดินจังกรมอยู่ก็เห็นกายมันเดินไม่ใช่เราเดินนะมันในสภาวะหนึ่งก็เห็นว่าเป็นแค่กายเดินไม่ใช่เราเดินก็เห็นไปตามความเป็นจริงเช่นนี้แหละเพราะเราเป็นผู้รับรู้เท่านั้นเองนะะแต่ที่เดินอยู่ก็คือกายหรือรูปเขาเดินเพอเดินเดินไปมีความคิดแบบนึงก็เห็นว่าอ่านามก็ทํางานเขาก็เองแล้วก็เห็นรูปเห็นนามไปได้ตรงนี้ชัดเจนเพียงแต่เราเป็นผู้ดูเท่านั้นเองนะดูกายก็คือเห็นรูปอดูใจนึกคิดก็คือเห็นนามนะก็เห็น ดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดนั่นเองนะก็คือกายก็คือรูปใจนึกคิดก็คือนามก็เห็นรูปเห็นนามเป็ น, นตัวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราในตรงนั้นแต่เป็นการที่เราแค่เห็นแค่ดูสภาวะธรรมที่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามความเป็นจริงเป็นไปตามเหตุตามบัจจัยมันก็จะออกจากตัวตนในตรงนั้นได้ค่อยๆที่มันเป็นสิ่งที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าไปคิดเอาเองมันก็เป็นแค่ความคิด แต่ถ้าเพียงแต่เราสังเกตตรงนี้นิดนึง่งสังเกตเป็นบางครั้งเท่านั้นเองไม่ไําไปคอยดูตลอดเวลาในความเป็นรูปเป็นนามไม่ได้ไปคอยดูเขานะหรือไม่ได้ไปช่วยเขาคิดแต่ให้รู้สึกเป็นบางครั้งเ ห, เห็นเป็นบางครั้งจิตก็จะค่อยๆเห็นได้ตามความเป็นจริงชัดขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าเราไ ป, ไปตั้งใจไปเพ่งไปจ้องไม่ได้นะการปฏิบัติธรรมนี้การเจริญสติ ยกมือสร้างย่างหวาหรือเดินยังกลมเราก็ไปเพ่งไปจ้องไม่ได้นะตรงนั้นก็จะทําให้เกิดความเครียดเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจนะทำบ่อยๆทำตรงนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราทําด้วยความทุกข์ทรมานนะมันก็ทําทั้งวันไม่ได้นะแต่เราวางใจสบายๆทําเล่นๆทําเรื่อยๆทําแบบรู้มัง่งไม่รู้มัง่งนะรู้มัง่งเผลอมัง่ง รู้สั้นๆไม่ต้องรู้ยาวนะตรงนี้เราเจะทําได้ทั้ ง, งวันทําได้อย่างมีความสุขนะและการทํานี้ก็ไม่ต้องไปหวังอะไรนะเหมือนที่ลงมาเทียนแบบว่าอย่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะบางคนมีเวลามาอยู่วัดไม่กี่วันก็อยากจะได้นะพอไม่ได้แล้วก็มีความทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่ไปตั้งความหวังเออเราไม่ได้ก็ไม่ทุกข์อะไรแต่เราได้เราก็เออมันก็ดีเหมือนกันนะก็คืออย่าไปตั้งความหวังอะไรทั้งสิ้นนะมันเป็นสิ่งที่ว่า อ่าเมื่อเรายิ่งหวังเราก็ยิ่งไม่ได้ในตรงนั้นนะเพราะการอาเจริญปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกับธรรทางโลกนะอ่าทางทางโลกนี้เราก็ยิ่งขยันเราก็ยิ่งได้เงินอแต่ทางปฏิบัติธรรมมันก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเราขยันผิดทางนะมันก็อาจจะได้เป็นแค่สมถะเท่านั้นเองน ะ, ะบางคนไปตั้งจิตโอ้นิ่งๆไม่ได้คิดอะไรเลยทําเดินก็ไม่คิดอะไรนะั่งก็ไม่คิดอะไระนั่นเป็นการไปบังคับตัวเองเอาไว้นะมันก็อาจจะเป็นแค่สมถะเท่านั้นเอง <c oughs> แต่การที่เราไม่คิดนั้นมันก็เป็นเรื่องที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เองนะปฏิบัติธรรมไปแล้วจิตเกิดความตั้งมั่นมันก็สามารถที่ไม่คิดได้เองแต่ความตั้งมั่นนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่คิดแต่ว่ามันคิดไปแล้วเรารู้ทันเราเห็นอาการไหลของจิตได้ชัดเจนนะเห็นสภาพวิจิตที่มันไหลเป็นอารมณ์ต่างๆได้ชัดเจนมีความคิดปุ๊บก็รู้ได้เท่าทันเห็นกายขยักขยื่อนได้ชัดเจนอันนี้เขาเรียกว่าจิตมันตั้งมั่นได้แล้วนะจิตตั้งมั่นก็คือเป็นผู้รู้ผูู้ดนนนั่เองะ เาิ่ม ก, การปฏิบัติเจริญสติไม่เพว่าปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้จิต เ, เกิดการตื่นตัวตื่นตัวมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้รู้ผู้ดูดูกายดูใจนะจิตมันจะว่องใยไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ไปเพ่งไม่ไปคอยกดคอยขมเขารู้ในแค่อิริบทเท่านั้นเองนะรู้ในการเคลื่อนไหวเท่านั้นเองทางกายนี่แหละรู้ไปให้บ่อยๆรู้ละเอียดบ่อย นะแต่ไม่ไ ป, ไปเพ่งดูนะหลังนั้นจิตก็จะเริ่มต <committee rire> <play> <right> <universe> hmm ั <sk r ug> ้งมั่นขึ้นมาเรื่อยๆนะจิตจะกลายเป็นผู้ดูเห็นความคิดได้ไวขึ้นความคิดแบบหนึ่งรู้ทันเลยรู้ทันปุ๊บเห็นเกิดปุ๊บดับเลยนัมันจะไวขึ้นเรื่อยๆนะอ่าเพราะอารมณ์ต่างๆก็เห็นได้ด้วยเห็นชัดเจนเมื่อเมื่อเห็นอารมณ์ต่างๆได้ชัดแล้วก็จะไม่เข้าไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะไม่เข้าไปในความรักความชังความโกรธความหลงต่างๆมันก็กลายเป็นผู้ดูไปเลยนะกลายผู้ดูไปอารมณ์เหล่านั้นก็หายเไปรวดเร็ว เพราะนั้นมันมันจะเห็นแค่าอารมณ์ที่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะอ่ามันไม่เข้าไปตัวลมจริงๆเพราะมันเห็นเริ่มต้นแล้วมันก็ดับไปเลยนะอ่ามันไม่ไหลเข้าไปในตัวลมหรอกไม่ไหลเข้าไปในความกโกรธนะเห็นแค่แวบหนึ่งมันก็ดับเลยนะในตรงนี้เขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วนะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นเองนะจิตตั้งมั่นคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูเท่านั้นนะก็จะเห็นกายเห็น ใ, นใจตามความจริงที่เขาแสดงการเกิดดับนี่แหละนะพอเห็นในตรงนี้บ่อยๆจิตก็จะเริ่มที่จะเห็นว่ามันไม่มีสาระแกัน มันก็วางมันก็คลายมันก็ตัดมันก็ละวางไปได้หมดเลยนะในตรงนี้มันก็ไม่กลับมายื่ติดในว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอีกแล้วนะมันติดมันจะคลายไปได้จริงๆเป็นวิลาคะไปเลยนะมันจะเข้าสู่นิโรธไปในสภาวะธรรมเช่นนี้นีเพราะฉะนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมในสภาวะหนึ่งเมื่อปฏิบัติถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเห็นเป็นพัไตยรักได้เองเห็ะนั้นจังทุกข์หน้าตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ตัวไม่ตนนี่แหละมันก็จะตัด สภาว่าความยึดติดในร่างกายและจิตใจเหล่านี้ออกไปได้จนหมดสิ้นนะตรงนี้เราก็จะเข้าถึงซึ่งความพุทุกได้นะก็ขอทุกท่านซึ่งถึงถึ ง, ถงซึ่งความพทุทธุได้โดยเร็วพ่านทุกท่านเทิด